าถ้ามัโอกาสมันก็หลงวันฉันบอาเป็นชวงพะมนสองไฟลอยอย่นอกก็ฉนผมไม่ได้ฉัเลยเจ้าอีธานก็ฉัแหนวเองเมื่ฉันมม่ไนยจะต้อปเทสคส่ีานน่ใส่ย อือโอ้โหรอโอ้อ้า่าวเป็นผู้ใหญ่ห้าวโวยห้าวโอ้โรอแะ้้าเป็นผู้ใหญ่พ้แถวอ่ะจะผู้เป็นผู้ใหญ่พ้แถวห่างไงแล้วคนขุดเสียงกันได้ทงเงี้ยผู้สร้างถ้าโโรสักคนเอาวาสทาเทปันเดท่าโกเาาหาเทศาบิ แล้วแล้วอะไรอ่ะครับคนไหนท่เอาไปันี่ก็ตู่คนไหอยจ t ติดตัเ้าวอร์ดดีๆเขาก i ไม่คว่ำน่ะ k ีๆพวกเข c จะเห h อวะพวกเขาไม่มีปัญหาเลยเหรอวะสระเบสเหรอวะนั่นจะเป็นทั้งสิงห์โี่จางชเป็นพวกเชียนพวกเขาไหมว่าถ้าชเ เราเขาก Side ็ยงห้องป็นยกเงิใ่เอายกเงินใสน่ังคบกับ่ราประมาก็ประเทศนี่เพื่อนักก็เพาะน่าหน้าสางหาว่าหายไหวยหาว่าหายไวยังดีอนเมื่อกี้กระทบกประเทศกันแม่นว่าสิอือปฏิวัติงานือ้นอันนี้น่าหน้าว่างผมเป็นกู้บัตอาจารย์เก้าตัวออุปราชเก้าตัว เมื่อกี่วันยังเต็มพุงของเราเลยเดี๋ยะนาโ่อไระทบเทดกานยก็่ค่อยใแตกกันอีก่นนี่ยังระเดรับสารต้านอนุอสะ่น่ไปานี่อีนปฏิบัติยา่ว่าจังเพราะว่า ร่มจริงก็ดีร่มไม่เคยร่มโมเสสนั่นเองต่ก้อนน่ะตะก้อนน่ะไเปี่ยนส้เลการแหงพอดบบนอ่นบด้วยสมัยก็รลงกูมันไหงพอดนก็นั่งในเรียบซฉยเลนี่ยเนี้อท้าเอาอันนี้มาบนอื่นบวมถงซูร่งเนี่ยเราไปเห็นลูกกูมหานกเนาจะงบตะกี้เขาบอกว่าแ้งด้วยทำไมยังนี่แปลปี๋คนนี้เขาจะนบ้ํามูนี่ ที่จรานลบะเขานั่งให้ผ้าโนบะมาไดาบ้นลบลูกปูหมันลูกผ้าโนบะเลยปัญหาในกายของผ้าโนกะถ้ามันนี้ชาว้านโนบะทำไมเนี่ยราชการที่เจ็ดตี่กเมื่อไรแห่งโนบะระบาดนี่โอ๊ยนบะของหัวอหอกเขาพว่าล่ะผูนเนี่นหเป็นหัวไก่หัวปูหัวาเขาว่านึงเนียโกนยเน่นบบกปูหาบอกแตนับพติเจ้า เขานกพวกผมมีเร่ยีไพ่เขาคนนกถ้ำบนระเบอกัพิษจีเ็นนระบอเน่เขาเห็นอันเมฆไหลมาเขาเขาเขานอมว่าพระพุทธเจ้าหัมาเขานกพวกนี่เขาคิว่าเขานกเมฆบ่อเสร็จเาก็ได้บุญเรว่านี้ว่าในว่าแบกาส้างกัและนีเขาเถียงอาจารย์หาพินนี่หรือต่อเข้าบะถ้าอย่างนี้รอว่าผมมันไม่อดถ้าอาจารย์หมา เขาจะมาวาดเราจะมาทาบ่ารอยที่เห็นอย่างนี้มันไม่เออนไม่ลอยอยู่บ้านผมอยู่ที่ปูไหนก็มีแต่พอเป็นรอยขนาดนี้อวันที้มันเจงแล้วเกิดไอตัวนี้หลุดลอยเขาเห็นเมฆไว้มาเขาก็แาจว่าเขาสมให้เกียรติเมฆว่าพระบรมศารีรากษ์มาเขาก็ยกมันไหวอย่างนี้เขาก็ได้บุญเหมือนกัน เขค่ะเ ข, า, ข, า, ข, า, ขาพระพระอาทิตย์เวลาจะนอนเขาพูดอยเองได้ยินข่าวว่าพระอาทิตย์พระอาทิตย์นอนอยู่ที่ไหนก็ยกเมืองไปทางนั้นเพราะได้พระสวัสดิวันด้วยพระอาทิตย์ได้จรงนอนคนทั้งหลายเห็นก็บอกว่าว่าอาทิศทักสี่วันหนึ่งก็พินหัวไปกับว่าไปกันวันหนึ่งก็ว่าไปทางได้จรงนอนเถื่อเทียนท่าไมถือ่อเทศดอกท่านไม่คุณของพระอาทิตย์ ทีนี้มีปัญหาสอดเข้ามาว่าคุณพรพูดธพระธรรมพระสงฆ์มั้งนี่หรือทำไมไปไหว้แต่พระอาอรตชีองค์เดียวมันจะไม่ผิดหรือไหวาพ ร, พระพูธพระธรรมสงฆ์แล้วจะไม่แล้วหรือจะไม่แล้พระอารกชีด้วยก็ปัญญาของใครของมันวันนะนี่สลึกงแัยของมันสำหรับเผ่าเท้ามันิดยเป็นอ่านี้ไหว้พระพุทธเจ้าเ ข, ขาถือเอาไหว้ทุกพระองค์ ทำพระท่ามเราโศกคือเขาตอบสมุนวายทําคาสอนพรธเจาทุกๆองค์การทำถึงุพระพุทธสนับเพระสุานเกิดไปนักกว่าวายพระพุทธวายเร้าของคำพทธเจ้าทำวายหมดัือะงเที่นว่างเท่ยวไหนวาสาธาอื <a> ่นท mm. ี่โลกมาแล้วเขาไปเากับวาที่จิว่าสุนาเขาไเจ้ากับวายท้องาท่ไหนวา่ัตเนท่องเทีววายท่นั้ว่าคสัตา์ถ พกตะลมส้นเกลวเท่านี้พุดโทอา่ัยกิจวัตรเจ้าพโคดมก็จะเทาของพระพุทธคุณวาเราเท้าขอขึ้นว่าควารู้ที่เจ้าทั้งหลายน่สัมั่งคืนนึกก็หปน้าเข้าไปว่ามาในเออกเาสัตวว่าเทากระเทือว่าเทาแห่ทานรักษาศีลเาวนหนาแน่สาสนาพระโคดมนก็เท่ากับว่าทุกทุกสาสนะเพาะพระพุทธเจ้าทั้งหลายว่าเไม่ท่านศีลเดียวกันเามันตีก้วม้าใส่น้ เขาบก็าหน้า่อนไม่ตสิ่ mm ้องรหน้าเพรว่า <sh> ันเอะไั well. <sh> ่นเองาวายูาการพุ่นนั่นีตายเนี่ยเขาก็วายพุณนเอาผโทษเนี่ยสิพนนี่มันจะเปลี่ยนหน่อยเม่ได้คิดเปียนนกฏวัดการนกการวายพระพุทธพระธาตพงเข้าวายพันยี่พันจะเปลียนหน่อเะเขาเปนยังู่บ้าวายฮะจะดูคนที่า เขาแต่งไม่าพินดาคือผู้เสียเทาไหวผู้เขาบอกผมว่ล่ะเท่าไหวคุ้พระพุทธเจ้าตัววัดเาไปไหวพระพุทธรูปเนี่ยเทาไปไหวจีนเน่วัดเทาไปไหวอันจีนวเทาไายคุ้นไปหลตัววัอันนี้กดขึ้นแล้วก็ปัญหาของห้องลบบ่อวัองหลับอ่างนี้ที่ห้องนั้นโยกเสียเขาประจุรักคั้ยไปประจุคั้วไป เ็นก้อนเห็นก้อนกลุ่มก้อไปหนีว่าก้นละค้วยไปหนีได้คนหน้อยเขาเ็เห็นดูพ่อสองาไปเห็นว่าเห็นเขาพิจารณาจะเอาไปเหนอยู่เดียวมีว่เห็นละท่าอย่างนี้ก็บเห็นละอบก็บอเห็นผิดก็บอกเห็นอ้ว่าิบายว่าเขาว่ากาเห็นนะว่าอีกตอกไปทุกวันนี้ว่าเห็นมาสุดสุดจะเป็นเงาไปของมันนอว่ อาจารย์สั่งนจังหวให้รู้จักอาวัตรักอาวัตเบาของจักลีอาวัตเป็นแล้วเขาเป็นนใช้มูตะกานพูดภาษาฝรั่งเศสภาษาอังกฤษเก่ง ก, ก็เกินอะไร ใชนอนก็นอนเอนอนวันนี้เออนอนนอนนเดียวเอาหมอนให้นี่นี่นี่ี่ให้นอนสัเดี๋ยวไปห้าเอาหมอนให้เอาหมอนให้เออนอนคุณคุณหนูนอนแค่นอนนนเออเออเหนอนแล้วนอนปุบให้นอนนเนี้ยเดี๋ย เดี๋ยวนี่มันเที่ยงแล้วหรือยังเที่ยงแล้วจะพาเที่ยงแล้วให้พากันเป็นวิชาลูกเสือไปหุงต้มพักกินข้าแล้วจะค่อยค่อยดื่มสุราแต่ว่ามันไม่ชอบในชาตินี้ชาตินี้ไม่ไม่ไม่ไม่เคยดื่มผลเสพตกาดื่มสุราแต่าชาติก่อนก็เลยมาเป็นคนวิกลขิดว่าให้คำว่าวิกล เจียตปรุงแต่งในอดีตมากเจียรตปรุงแสงในอนาคตเจียรตมาอยู่ในปัจจุบันที่นี่วิดามานาไปแล้วที่ยังเหลือแต่คนเดียวทรงวรรดกอยู่ใช่ไหมพระพุพทธเจ้าทั้งหลายอันนั้นมีประมาณณนะโมเมครับพระธรรมมาลา ด้วยเดชพระธรรมคำสอนของพระพุทธเจ้าทั้งหลายอันไ่่มีประมาณณโมเระทรัพยังกาลังด้วยเดชคุณพระอริยสงฆ์ของพระพุทธเจ้าทั้งหลายเหล่านั้นอันไม่มีประมาณจงบันดลดานให้คนหูนี่หาความเมตคนจิตให้เป็นคนจิตดีให้ถึงพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์อย่าได้ประสบอันตรายใดๆทั้งสิ้น มีความสุขความเจริญนี้ยิ่งขึ้นไปจนถึงที่สุดทุกโดยชอบอยู่ทุกเมื่อไม่มีประมาณนั่นเถิดจะลิกได้ไม่เลิกได้ก็ดีพุทธโธธรรมโมสังโฆนิพพานังอายวัตโธทักาธนวัตโธทักกาชีวัตโคธทักาญาสาวัตโธทักาภรนวัตโธทักกาวันวัตโธทักาสุขาวัตโธทักา โอตสัพทาทุกขโรขบายาเวลาโสกัสตุจุปัถวาอเนกาอันตรายาปิมีนัสสันตุจะเตชะสาชยาสิทธิทัตนาภาภังโสธิภากขยังสุขังปังสิริอายุจวันโนจะโภคังมุตทีชยาสวะสตวัตสาจะอายุจะชีวสิทธิปวันตุเติปวัตตุสัพมังสารังรักัน สัพพเทวตาสภาพุทานุปาเวนะนัธาโสตีภวตัวเตภวตัวสัพพะมังกรังระคนตัวสัพพะเตวตาสภาธมานุภาเวนะนัธาโสตีภวตัวเตภวตัวสัพพะมังกรังระคนตัวสัพะเทวตาสภาสังคานุปาเวนะนัธาโสตีภวตัวเตอยู่ทั้งวันไม่มีประมาณเถิดอีกประการหนึ่งถ้าคว่าคนหนู ในพ่อคุณก่อนชาพ่อคก่ได้เคยสร้างบารมีมาตลอดถึงปัจจุบันในชาตินี้พอดไีได้เคยทำในทําชั่วสลับกันมาพอดีจะเอาทิพกุศลพ้บุญทั้งหลายเหล่านั้นให้แกสัพพะไตโรกัทธาทุกท่านหน้าอยู่โดยทุกเมื่อไม่มีขมานเจ้านี้เจ้ากรรมนายกรรมนายเวรจงบรนดนดานมาเอากรรมเอาเวรนี้ไปเสียอย่าให้มีอันตรายในอไรต่าง้นจะเอาทิพกุศลพ้บุญให้อยู่โดยทุกเมื่อ มอมีประมาณจะขอเป็นไม่เป็นสาเหตุปัสจากองพรเวนพระภัยพรทางใจทกถาและขอเข้ามาโทษต่อว่าพุทธภาษประสงค์ผูกขาดจอขาดอยู่ทุกเมื่อไม่มีประมา ณ, มาาณาาและขออาที่กดทนพนบุญให้แก่พวงโลกทั้งสิ้นทุกท่นหน้าอยู่ไม่มีประมาณย่าใหมีเวนอยาไม่ดมีภครอยู่ทุกเมื่อไม่มีประมาณนั้นเกิดพุทโทธธรมโอสังโฆนิพานังอะไรทีนี้ปานาป เ, เป็นุกข์ประสง์ การนั่งปูนั่งปูนเออองเร็วนี่ที่ว่านั่งอัสนะเดียวกันกับฆราวาสเป็นาวัตทุกกดมันกบโมเมนต์นเอาไปลถไปเรือนเ้อก็ข่าผาปูนังเข้านังนี่ที่ว่านั่งอาธนะเดียวกันกับควาสเป็นอาวัตทุกดเมื่อกว่าปุ๊าปูนังเขาไม่อยู่นี่วเนี่ยอง นา่รางเงื่อนกันเราถว่านางนั่งอัศราเราต้องเพื่อหัดมันพว่าภประถุเพราะพประทงของเรามีคนอ่านแล้วคนวางีนี่ลูมันผ้าสนาังนั่งให้ไวห้ไหนให้ไวเพื่อที่นังคู่นังจำพวกันะ่าผู้ห่็กสอนอัศนะสูงแล้วนี่ว่าภาะรเรียกกันว่าไปยัง สารอียกันนี่ที่ทาี่ก็ไปชมเขากันนะชมสารหลวงพ่อมหาชักเทไตอยาง่อวัดสันเทศพักจกพักแก๊กวัดสันบพพสิงหดกันนะขว่ามันนางตํากมันนางเสมภาพกันครับขราลัดสันขราววัดันนลสัหนึ่งขันะ เมืเ่อเลียงนก็่ ง, งตูดน้ำมาอยู่รวมตั้เก่าหันพาปูนำแข็งของมันคือเก่าเนาะการเลี้ยงก็เกลียอยู่ได้หรอเมือเ ล, ลี้ยงก็กลียดลุงหุงครับลงลุงหมั่นรอกูว่าใช้มันเ่มือนเชือกเห็นเห็ดพักสงาาาสง า, งารสนะสงอะไรต้น้ำมันรวมไปคือเก่าเนาะปัดกับปัดง่ายเออเติดสมัยอสนาก็แตงไว้แล้วนเนี่ ย, ป, ป, นน ย, ย ป, ปูพ่วงปูเพิมพ่มปู กู้หน่อยกูพากูนั่งข้องเกี่ยวของน่งอมก็นั่งแปีดนะผมก็เลยปูสาเขานปูาสากระล่าให้พระที่ในยมก็ต้องปูมัดทั้งทั้งพระพระก็ต้องร่างอัธนะ ข, ข, ของกองขึ้นไปอีกสูงกว่าเขาไปอีกกันนึงนี่อะนั่นคือปูศาดดางให้แต่เขา ส้นพระผลเอาแป้นเอาพาปูนั่งมันเรียกว่าอาสนะเสมอกันเมื่อไรเองล่ะปูกระปูไอ้พระนั่มเขานั่งสานยางเข้ากันนั่งสานยางรับพาปูนั่งเข้ากันอีกนั่นมันก็ถือว่าประเทท่านสูงไรกัไหนมันก็สูงกับพระพุทธรูปอีกกันไหนพระพุทธรูปเขาบริสุสธง์กวานั่เอ้เรื่องกันว่ามัน สิบสองนี่หก่วนหรอไม่ละแปดหรือไม่ละสิบสองมองน่าสบสี่เออมันเป็นน่งสิบสอง่แลนี่ก็สิบสองยู่วาวทไป น, ไปนั่งข้าวทเอาเก้าอี้คือไปนั่งเพื่อกระเถืออีกอย่างสูงของพระพุทธสรุปมันเขาเอาไปเพ่ออะไรเก้าอี้เอาไปทำเ่ออะไรมันชี้นำเพียงพระพุทธสรุปเดี๋ยวว่าสั่งตหะ ร่มหนี่ครัก็เคยดูท่านอภัยวส้างสูว่าโพธตโลกขึ้นขึ้นนันก็สีดังสูกว่าโพติโลกขึ้นท่านอภัยสั่งกำลังจับไปตะเพยนีดงขึ้นฟังง่วงฟพระขึ้นสยาตัวนั้นใช้คะันนมาอย่ามาวางไว้จับไป ถ้าผมก็จะนั่งสุ ก, กันไปเลนั้นคนัวมาไปดูพวกเด็กกีลงตุยวยาะเรา่ตัวคำตัวถ้าเราหงน้ำเสียงมันจ้ขายยอดน้โมนี่นยังโมมีเวลาอยู่โอกาสใ้ยุคลองปู้ ม, มันของบ้านชาเนี่ยได้อธิษฐานพร้อมกันหรือเปล่าิานเทลาก้น มันจะมีอาวุธที่มันเกียมมาสร้างมาตั้งอุปกรณ์อะไนี้เทียนหงพมาแทนมือขาวสากันเป็นอมไรก่อนเป็นอธิษฐานเราประกอบก่อนเพื่อถวิลอาน้ํากรนะครับสาแล้วเอาแล้วกัเออพเฮดหมเฮดหม่ลงพูาเทีก่น ต่ว่าที่เที่เพร้อมกันกับสมควรที่หัวไม่จำเป็นไม่จำเป็นไม่จาเป็นสิว่าพวกในเสื้อก็อธิษฐานพร้อมกันเมืออ่อไงกูงจักก็หมายกันน่วะวัดนี้เป็นวัดอธิษฐานขึ้นันนะใไสิว่าอธิษฐานสิว่าพร้อมกันพวกพร้อมกันกนี่กบรจะเจ้า ม, มันสดกัเมาว่าใจจางเนี่ยมันจะจางหัวแม่หลสันพกมหาพาห่อเหตุถือยู ไอ้ย่มหลวงปู่มัะมันมันกับมันจะาดอะไรปะนี้พระที่ผที่พองค์นี่ยอันพันเ่านึประมาณว่างสี่สิบวันอืมแตคืนก้นพระพรหมอัว่างสิบส่สิบอหนึ่ว่าน้ำโม่หรก็ว่าความกันแค่นอกงานน้ำวาดตามหลวงปู่มันเป็นมาแล้วกัน สิบบาทสามคนอืมสามโจทย์อืมคือรู้แค่หน้าหนังสือู้คือผมว่น่างงกันนะเตะว่าจี้กังมาดีได้เวยว่าจี่กังมาดีเอก้าว่าจี้กังมาดีว่าเลยอ่ะว่าหน้าคนเดียวก็ไรสองคนกระไรสามคนกระไรเราถ้าสวดยาดตื่จอยู่ตัวเือว่าจี้กังก็ว่าสามได้เวยว่าจี้กังกขว่าสอง เอกว่าทีกังกับว่านึงเพื่อว่านะหน้าว่าทั้งทุติยสติอะไร้ะไรพัที่ซูภูพันภาษาไรเรียกกันถอว่าพ่อกันก็ได้ยุ่กันว่ารกันก็้อันเชื่ออัันทราบภาษาเนี่ยมานสำคัญเาะข่าว่าพ่อผ่านมั่า คุณยายว่าเนี่ยคือว่าพอฝนเมืออ่อไหร่เพราะเขาีม่คนไม้อันเดียวกันนี่คนไ ม, วมาว่าสียุคก็ใจมา้สาเดือนในอาวาสนี่ย่าจารย์อ่าวัดสมิงอาวาสสีนี่มั่งใจมาศสังวัดสังอุเปียนข้นาพเจ้ารักจาในที่ก็ใจมาศสามเดือนเปันธรไ ที่ว่าพระหลายที่ว่าพระไอ้ว่าอามร่ำดับหรสิยังไเป็นเง่อนพระหน่อยเนาะเวลาพระหน่อยเวลาพระหน่อยเขาทุบกวนสิว่าได้แต่พระหาอ้เดียร้อยจค่คั้งหนึ่งมันถี่แดงวมดขึ้นนึงนั่งตายเลยคนพระเฮ็ดเราถือรู้ว่าคนู้มิมหาพรเฮ็ดอะไรบางคนเสียใจนะทนี่คนงคน คือบมบานี่แหละพน้าบ่มเกจไฟแปรไฟฮะสัน ท, นท่านท่านี่คขาบอกคนแกมาหาอธิบายับอธิบายโกงกันก็ปลดภูมิอันโน้อธิบายคนแก่มาหาการบ่มให้สังเกตบ้งกนนีนะ่บ่มทำไมเสกระบมเพื่อให้มันเป็นผิวบ่ให้มันชินิน้อๆกันชิดไฟาไฟามันตรงนี้ มันไม่มีสะเก็ตมันกระเซยเพราะไรเออ่นบว่ามันบ่มไยเดียวมันได้สะเก็ตมันกระเซยไร่นคือนอัศวานเมือกันนำอัศวานนี่คน้อนว่ากองแปดเพื่อว่านมันคาจะยิดอันนี้อัฐาไปว่ากองแปดเพื่อว่า่านกพป็ิงมันประมาอัศวานน่ะพนกของแปดอย่างกซื้อเป็นต้นวเล็บเยวก็ดีน้ำกล้วยก็ดีน้าองุ่นก็ดีน้ำลูกว่าก็ดีน้ำแยงก็ดี พนกของแปดยางเป็นตัวยางนอกนอกสางนี่มันยังไม่หลายก้อนอนัดเข้ามาตัวบนกตัวยางของแปดยางนี่สิหรอกก้อนปนจริงมันหลายก็แปดยางแม่บอกหน้ามนามุนมุนน้ามเลเดียวมุนหน้าั น, นาบัท่านมุนน่ะว่าจะบ่ยไงกูผลบักนัดชวันเหาะก็ใจว่าคุณละก้นว่ากล่องแปดเที่ยวกล่องพันเที่ยวก็อะไรขันอ่างานกาวา โอ้มันร้อ่ามดูกองกนเทกกเหมาเกาน่อว่าั่งก็งเกเนี่ยเอาตังกองว่าทั้งเเทียกับพวกเบี้งนี่กองเทียเดียวคันพาที่มันกรใส่ได้รดสิว่าอย่างนี้คันพาหางเอาไปกองยัดซีบเทียบผมมห้าง <t Ay sea bullshit> ํานี่ยัดป่อยเทีมไ่ไปกันเเข้ามากองก็มันก็เอาสิว่าให้มันเป็นอามุธว่าให้มันด้เขียวดิ่งมันในขนาดมันอุบายไหนมันสในน้ามละเอียดนึ่ ใส่ได้อันพอนี่กล่องชิเท้าในของกล่อง้างเนี่ยมันกระําก่อนหมดไม่กนบ่อนยกตัวยางนำอัฐบาตแต่ว่าของแปดยางหนึําเล็บเนี้สองนำกล้วยสามนาบักขันสี่นำเล็บนาอันบักอุ่นนหว่านากล้วยนาอย่างนอกจากนั้นยังมีแต่วกนี้อีกก็คนยกตัวยางของแปดยางนอกประเทศนำอัธบัติได้ ว่ามาให้กองเปดเื่อรอกคนทั้งหลายมาเสียงกันอยู่นี่ไงสมน้ำประวัตของหลวงปวู่ฝันพนระนิกายอันนั้นเอาล่องนา้าพระนกายอันสู้วัดเอาลองน้าว่ากองเปดเื่อว่าสันโอ้ยพระนกายสวัดนี่กระยิบดเข้าใส่ไอ้พสนทวารเพราะว่ากองเป็ดเ ช, ชื่อ ตัวไหก็ บ, บรรวา่าว่าแต่มันมไม่มีนะกองที่เดียวมันมไม่มีเกษตรใร้ก่อนัอดผามันห้างกองตัวไรม น, น, มนมันกันช่างกาวนะมันเกตรลงรู้คือกผามันที่มันกองที่เดียวตัวไหนกองที่คเพื่อนเลรน้ำรางถนเยอยู่หันมองดูหันมันก็ใช่อะไรที่ฉัน <c oughs> มันเยาว่าันร่งไมเหมือนลงนั่งน้่งข่าวใสส่านนี่พาเจ็บพาป่วยมากน้าข่าวปรกาศอะรสันได้โอ้ยรงในแสนน้าขาวก็จะตายพราว่าสั้นหสันที่เกลียหป่วยมากกสันที่เดี๋ยวถอนยู่ก็จยตายแน่นแ่นถอนหาสันมือนีพัดฉัน ก็ป่วยมากเพื่อนั้นในส่วนเดียวเว้ยปวคลาบมากสยจังาไปเพื่อนทันอีกเขจ้างเ่อันเอาเอามีซัดแต่แกคนนี้ชัอนอน้นเที่ยวเท่านั้นมึงเศ้านี่ว่างันต้องตะเ้นขึ้นรุ่นขึ้นเอาคอเพื่อนเพันเพื่อนชั้นในส่วนเดียวนี่เพื่นสวมากจังนอยมันยังพันเพื่อนอภไปเพื่อนั้นอีกเขาจง่นชันเนะ ตายก็แต่พระพุเจ้าขอให้กรธธราะวัดต่งว่าเจ็หนึ่งหนึ่งเพาะนั่น็ตายเราพสันหงตรวยหมสี่สกามือขกสันยังหันนึ่งสันยังันูกุ้มนคนโยมย่ำทุกครั้งทุกย่าโว้ยเนตายเลยนเอาละวสันช้นน่เอารัไปไกสันข้างเดียวห้อมาท่านมีสาเือนพวจะลนักก็สันนึเดียวเล สั้นเทีเดียวสันสันนิสมุ่นว่าอิ่มห่อยว่าจะมอันสมุติว่าหันอิ่มหน่อมนี่ทุระได้ลูกไปเนี่ไปโย่ได้หันได้ขึ้่นมาสั้นเองชัว่าสั่นสองเทียบอะไรเพราะอิ่มของพจ้าเขาบ่อิ่มอยู่มี่เวลาจำเป็นใหาที่ได้ลูกเอาหมดที่ยังสั้นอันนี้โไมเรากำหนดจิตเอกร่างใช่ไหมซึ่งังขาเนียกระไมก็ว่าอิ่มแล้ว คืนจากสันมันเหลือนไปสันอีกเัินดอกมาเอาความต่างใจของแก่ตัวมาเเพื่อเอาความตัางใจของแก่ตัวนต่างใจของแก่วโตว่าเพรท่านอิ่มเนี่ยแล้วเมียโซน่าแต่งงานไปขึ้อนมาอีกสงสัยก็จะยังเค่นอีกกัดกละดาแต่บลเก็ตอีกสันอีกกับ่เป็นยังแต่ว่าสองข้อมืออิ่มเนี่สันเศ้าท่านนี่นะ่นแล้วทั้งลูกนี้จาหันเนี่ยเาว่าทางญที่แล้วไปกินอีกมันเป็น นัอาจนะสองเทียวางสันโตไเ่ลาเขาซุกนี้หางว่าในนั่งนี้จากาโอ้ยอันนี้พระท่านกินคนน่อยอันนี้พท่านกินเนี่ยพรทานกสองขึ้นอันนี้เ่ร้าสันบพระระท่านลูก น, นี้นี่ว้าในลูกนี้จากอาสนะนั่นนันเ่แต่ว่าห่างลูกนี้จากอาสนะนั่นท่านเนี่ยแต่หวังว่าจะขึ้นมาฉันอีกอันนันเวลาเศ้านั่นกบฏอก ร, รัก้เป็น สันสองสองขังเขยาใจบ่สมมต killed, <cake> ิอนั่งสิปวดขีหรือปวดเน่วสิไปเี่าสักก้อนมาสันนี่ยสิย่สันมสันอีก่็่าสันอีม่าสันคือนมาสันได้อยู่นะอู่นีสนะรรวนยางไปสันย่างไปนี่ยเคลื่อนมาอีกมานั่งอีกว่าเป็นสันสองหัวน่ะเพราะว่าันอีมของจ้าว่านอีมอยู่อีมแล้วของเจ้าว่าอีมเนี่ยสิซุกออกท่น จะหังว่าในรูปน ah. ี r r ika, pra pra nah ้ฮะนี่อ uh ันนี้เปลียนเยวสันคนเราสันนนี้เขาได้ตีว่าสันอ๋อส่นกรเช้านาสนกลบเป็นอาสนะสองอาสนะเพราะว่าหานในรูปนั่นนี่ใช่ไมต้องเช้นาหรือต้องต้องบเนข้กันย่นีลมาผลบานออกแล้วเอาอใไ้ปลาบาดไม่ฉันอีกันน้้ใจน บอบอเป็นอ่ะบอบอบอท่านลูกนี้เนี่ยบอท่านในลูกได้กาท่านในลูกลแม่แหละบท่านในลูกนี้เอามาสันอีกแต่ว่าหัขงเช่นไมได้หระบเ่นละนาเ่ยบอบอบอเช่นบม่อรบอบอเช่นกขเรียกว่ากินกินกินของบอเช่นเวเนัตไปทีดทุกขั้มเกินพสู้ออกแล้วไปกินบากฉลาดาชั้นนี่เหลสาไหมขนาดสาบ นี่ฝานพาาอนาาั่นในสู้ออกเนี่ยคนพอั่นสู้ออกเนี่ยพวกของยาคนพอนั่นสู้ออกพ้นกับสู้ออกเตืนในบาทเตือนนึ่งทีไปเมาออกเนี่นวดมันก็บอะไรเราพูดกันสัมภาษณนะสองอานะเข้าใจบอกฮะนี่บ้ากระจัดตยุทธนบาทเนี่ยยนาฝากระชัดแล้วยุทธนาฝากรพาหมองว่าสิจินยุดธนี่ยกันสู้เอาเนออกไปดีี พนักาแน่วะแน่ฟ้าก็ไวังสิกินละวันน่บาทก็ไม่วังเกินละวันสู้ออกไปสูบาทเราคือเราฟ้าสูกฟ้าลรคือบาทผมคือยกับเจตนาของผู้นั้นเข้าใจอเป่าเนเอาบาทเนี่ยเขาออกไปว่าท่านมันเสียเวลาวันก็ได้เล่ากันสันฟาศนะสองอันนี้บอกวัน ก็ผมจะพักผ้าสัญพาธนาสองอันนี้่าบ่มาเล่าสัญเนยบาดเฉพาะพาธนะเดียววะสั่งเล่าสันสองพาธนะอยู่แล้วเพราะมีสายฟ้าบาดไว้สู้บาดไปเขาเก็บซะสัอยู่ไงสพาธนาว่าสั่ีว่าสันสองนกระบอกระบอถือกันกันกระอกดืตั้งใจไว้กับสัม อันนี่สูบยาทำยามพ่าคันถึมนมนาางปป ม, มได้แลยมันเกิดอาวัตปายุตีเพื่อนเพิ่มสิสองน้าลุกปูมันร่องเฮาเทียนึง ท, ไปไปที่ข้ามขาข้า6หัขาเอาอะไรไปข้ามก็ใครขันสถิ่มโป่งถือมันว่าเขาร้มันมขั น, น, นทีถือคนที่หา่างเรากันขันทีเ็ต ส, ส ก, ก้อนเพื่อตัเอยียด น, น้ำายคนนะครับตอมือพนครับตอ ม, มือพนขนทีเซ็ ส, ส ก, ก้อนือโตัือคือโตเสียดน้ำลายคนนะไมเปื่ยนน้าลายแลวก็เซ็ได้ไมคั ทำแล้วมาสืบเพื่อนชืว่าเราเขาสั่นวร่าเขาก็เลยสูบหดโเห็นพลางนะหมู่เขาโเห็นพลานะหมู่บูู่รกาศ่วงการท่วงูกท่านทวงเขาตว่าสูบแดีวก็เขารบมันก็บพราเป็นอาวัตรทุกข์ก็ดำรับสีกับอาจารย์เขาติต่อเหมกันอาว่ตรราเพราะเขาลบอาจารย์เช็ควันอาทิตย์นวาคือ่านตอบางสี่ท่นอันนี้ไม่เป็นอวัตรทุกข์ก็ดีวันสบยที่ตีด้วย ถ้าสูบแล้วยังสี่นี่เพาว่าหวยมิทุละยังี่ถ้าเกินพัิบาตไปนี่ตองประเช่นนห้ลูกผู้เทิดลู้ผู้เทิเคยเอเคยว่าวิลูกผู้เทิอนี่ลูผู้เทิดปฏิบัติแบบนี้พุรอ้กนยาซูยูปัติวายวอกตีนขีบไ้วันนั้น ขึ inet, no ้นขึ้นที่ใต้พอดนะแต่บน่กาะบนนี้มันสะอาดกาว่างไว้ดีๆแสดงว้าเก๋าลจะขึ้นมาสู่อีกแ่ว่าพยังรอเพราะแต่เวลาโดนพ่เข็มพรา่เรงมาเองข้ามาเข็ก๋าลายขวมาเาไว้ในหัตตาบาดเยอว่ะเฮว่างไมแสใ้เปื่ออมิดว่สเฮ้าไว้เราจะขึ้นมาสู่อีกกระสุกแสก็บรรกเกิยุทธวีไปกี่เรกี่เรีวว้ก้อนบชีวตีนสิว่า อย่ามาขนาดตบมาดมันกินาพูดโอ้ยหจะเก่งยงยังวนนี้ไยอันนี้ลบปูมันกินบักสมองอนีใช่นหมน่ะกินบักสมองท่านท่านอาจารย์เข้ามาพักกบักสมองกักไปว่างไ ไปว่าเงี้ยผมเอามากัดอีกโย่ตัวกัดถือกำไลเลยอ่ันเราไปว่าทำไมที่ไหนบนโลกมนว่าเอามากินอีกว่าก็มัถอเล้ยว่าสันตัเท่าแล้วมันถือกนไลเาเป็นอย่งนั้นเพราะว่าล่ะส่วนของข้าวมือยูนี่เดยให้เน่นๆว่าเอาห่าขึ้นมากิน น, กนีนน่บู๊ถือทแทะลงปูมัดลงปู ม, งปมหา ตองเข่นไหมข้ามือก็ต้องเข่นทหถ้าจันเดือนผมว่าผมว่าล่งอะไริโจรข้างเข่นกับหัดรอก็แสร็ความาเปความอกเพียดวะหยัมุคดิโจรข้างเข่นก็เทมชีหรอจะจันเดือนบวกลงอันนี้วเฮ้าร่งอยู่รงลงคุคุณราเม่าเฮาเอาหานี่นึกดีหาุ่มดีพรว่าเอาด็อกโกลลอยพวกอะไรเอาอะรมันก็ขาดด้ครับ เพราะมันไม่มีช wow ีวิตรับเคสอะไรขันเอาหายพระนะบอบเอาตะยน่อยพอแล้วอะไรถ้าเอาขึ้นมากินในยุ่เพราะเพราะพระมันมันว่าขาดเคสะไมันไม่ <Freud ate. S 2> mm ีชีรับเคสในยุ่พระอะไขันเด้หายยมเด้หายเนนอมันมันขาดอะไรแต่เขาพอออกก็ต้องมัเคสใหม่อะอันนี้ถือคือคัดแแคบหลวงูมหาถือ องินกับยานี่ยหองพูมาหาคือยาฝนยาฝนหรือ ย, า, อ ย, า, อ ย, า, อยาแส่ยาเส่ถ้าออกไปกินกับเขายาแส่อันนั้นจะไม่หากกุญในหันาหามากกว่าไม่หากหรือไม่แกนหันาหาเข่นกับอันนันเข่นทั้งอันแกนมัน ขัน้นหน่นแล้วกลิ่ไอะไรมันมาครับพอมันรับถึงถ่งทึ่งแกนมันมารับตอนที่ชั้นนี้ครับอืมชเอ่ตะเวนมาเนี่ยชั้นอะไรไหมตะเวนมาเนี่ยชั้นอะไรรัจ็คขอนี่เป็พวกอหารเออแจ็คขอนี่ผว้กอหันตเวนมานี่ยั้นไรเพราะมันรับส ก, กัด ก, ก็ส่มันาครับขั้นเท่นมัน บ่ปยหมืออันนี้แ่นึงเพื่อนกรัดยึเท э ่าทเจอเนียน้สันน้กาเนี่ยกินอิ้มแล้วเพื่นก็เขาอิ้มแล้วดนันเขาอิ้มแล้วโดนเติบลูกนี่จะคันอะอะไรอะบางว่าท่นได้เขลนมากินน้ามาอีกเอาเหลวเบิ่งเพิ่นเอาเหลวเบิ่งเพิ่นเก็บพ่น ค็ตอบปับโหลดสันไปนยั้งมาเลยของหนามยในกาพรประเปล่อกมาไมมันม <c oughs> ตอ บ, บว่าในปากเลตอบเลยสันไปนยั้เขอหนามยื้นกาเพเปืือกเที่ยไปร่างกายมนันกระมัก็ว่นน้า ม, มือในการรมันเปลือนอกว่ะันก็บอกว่านามือในกามันโบเปืือนมันเกิปที่ยั้งมาสันบอนกไ ม, ม่เห็นเด้ผลเลยสนี้ฮะ ออเนี่ยเือนร้ตอบกับก้อนีพ้าวาองีเดี๋ยวัสิสั่งกป็ยังนะพ่อเล้ยงวังสีสั่งัเป็นยัะน้ำมันมเปือนเะที่เอาไปทายเราล้างไม่น่กับม้ว่าน้ำมันเปือนดอกองไทยเรานาเปือนนี่นะจะเอาไทายกินมันนั่นน้ำ่นันมะเปื่อนกินแคมือกเป็นยังมานเนว่าสารน้ำแองมืนตับไปเคล่นที่ว่าสีนเนว่าน้ำสงมาสีนเปนว่าที่ เราไม่เห็นผนเลยแล้วก็หัวของเราคือตักแก่ท่านแท้ว่าการนังเรือในตาบอกคือนํงเรือในตาอกายนังกระซาวหน้าทามันเปื่อนนะครว่าซาสันามันโปเปื่อนนองมนจีนีก็ได้ปรนเริฐประวัตสันเห็นซันเพิ่ได้ว่ามันเปื่อนก็ในหนามมันเล้อันเปือนแค่ห่วงกายมันบ่ได้สามารถสิเขาในหนามมันเพิ่งกับบริวาเปือนนิดหน่อย ก็ใจล่ละวครับเหตฉะั้นจีว่าห้ามเอาหมอเปื่อยกาแฟชนะหน้าคนจหัหไฮอก า, าไว้เมือม่อไสาเมื่อาสให้ซันเมื่อเดียวเมื่อขัวเราเพื่อเสือเอาเมือ่อไสยเทน่น้ากินแ้วกันถัเท้าสมือเนี่บยบัติเฮดคือเกาได้เท้าสมือเป็นภพราะวัดม่าก เพื่นไอ้ผู้หลางมือหาเพื่อนจับวัวจับกอะไร้ตอนนี้เพ่นจับสองมือเล้แล้วปสองไอ้ผู้หลางมือไอเพื่อนเี้สองหลางแต่เนีเพื่อนไปรับนิ้วบ้านเนเพ่นจับมือเดียวเพื่อนอือวิเพื่อนลางมือหายนานบ้านองลางมือหนเองวนสอเพื่นสั่งท่กาวาเนพ่เอาทสองมื้นูเพื่อนไอ้ผู้ลางมือห ลผู flips, er. ้บั้นอลากมืงเราเป็นลากเราเองค็ลากมืองใช้ฟ้าบาทล้วผู้บอาจารย์นึกว่าระยปลารเมื่อใช้ซัฟ้าบาทวาปุ๋ยเพราะว่า็นอาจารย์พวมนีแต่วล็ผู้บัลากซสยุบล็กผู้บาคนล็ผู้บันหอดเอาแขวถูนไหมออกมางัดออกมามาลากใชฟ้าบาทเขียวงงคนใฟ้าบาทยาีจะเก็บไว้แล้วก็ จัดับก็วนีฟ้าบาทก็จอดจังปลาไม่ดีฟ้าบาท2อเชื่อ่ฟ้าบาทลูกปุ่มนั่งเชื่อที่แรกเพื่อละเขวเพิ่นนั่งที่สองเพื่อจะเก็บใบบาทกรใจตั ว, ตวการนำบาทนม่ควรใส่ใส่บาทตั้งนี่ แมเนีวเครื่องแมนียวเครื่องว่ามันเก่านี่หกไที่ไปเห็นดูพิธานันแม่บอกับอฝ่ามอมแม่่น้งเขียนไห้เลยคิวบอสแล้วฝ่าผมอมงงแม่งงงแม่ม า, มมาจะมาทันทีทนนนนันรเนี่ยวันละชลยเพราะบาร์โนั่นท่าจะคุณทํามาเจลียดีขอไปแล้วบาร์โลง อันนี้ตอนั่มากหลังถ้าจะคุ่นธรรมชิดีขอไปนะล้ายไปยังในเฮติตะวันนั่นเองฉลาดพวกเรื่องจะขอไปมันทะลุแล้วก็พยายามีิจาณธรมชาดีทะลุแล้วก็พยายาค่นเวลาอรพวกอาจรมหาเาล็อกเตอรเต่าไปขอเชิญชวนอาจารย์บทยูตูนอะไรมีเขาก็เอามาให้แกรำคาญกันไปได้นหรือบอยงกเอาไว้เทิร์นแพร้านเทิร์นมึงกันไปได้ บาดด้วนะบาดั้วกานยกขึ้นอย่างนี้กุมอกร้องเป็นหมด้างนทับทองเขาให้เหลี่ยมนี่ไปนี่ปากหยดโลดสักครื่อง่านชาวันวมันถึงแค่นี้เอง้เขาเืี่ออะไรที่ตายดว่าเกิ่อทุกก์วนจจแกลว่าไปถามออกคนขึ้นหลังมากเอาบาดโยตุนห่เลยนี่มาหายอะไรก็แล้ว เรา เ, เขีนยนยุตว่าน่อั น, นที่ว่าบอกนยเห็ น, นตวัว <c oughs> โอกาสบ า, د, บาทเตือนเดล็บบาทเล็กพระอาจารยเคยสนธนาเคยสนธนากันที่แรกสนทนาบาทเครือบมันไม่บาทเครือบในนิวานหลวงู่ได้ไหมนะแต่บาทถ้าแต่เหล็บนี่ยว่าเนีวน่วาา่าเรา บาดเคลือบไหนมันสใส่อะไรก็เราพอมีอาวุธจัดนะผมก็ปู่มหาเลยไรก็ขาแวแต่ไมบาดเคลือบไหนยบายือเพเอามาไปร่างกาวอะก็เเคลือบบาทเคลือบกาวอ้าวจับอามีความหมายว่าเพราุทธเจ้าส่งอนานบาดเล็กึบาดดินเผานื้ะนะี่จับลักไย่ง้าว่าบาด เ, เ, เคลือบก็เครือบอากจากเล็กเรยกว่าห้เกิดสนิมเลย่างต่ มันมาเกิดสนนิษฐานวิธีไหนมันก็แสียดาว่าแต่กออว่าแตมันบาดเล็กกับบาดอีกเผาอะไรมันกีดัดเขาไม่บาดเล็กอยู่ดีเลยเรือบเครือบไม่ควบประสงค์อย่งควมประสงค์มาจาใครเป็นเป็นสนิมฐานอันเผาบาดเป็นเผาประสงค์อย่างก็เผาประสงค์เพื่อว่าจะให้เป็นสนนิมืานเองว่าเผาหาไฟฮกไฟก็อสร้างไยเดียวก็บตามต่อมันมุกเป็นสนิษฐานก็เสีย่า ที่ลอยไฟก็สร้างเพื่อให้ทีมก็ตามความมันเป็นศิลปมันกระแทกอไไรวะสัมรองเรื่องไม่เหุผลอนไรเน่พระไม่ได้ยางตอมเกจไฟอะไรหาไฟเกจไฟอรสรไฟกระช่างทำไมมันมันมีิศิมันโมนิเกจกระแทกอไรวะสัมพนธมันเป็นศิลป์มันเผอไฟเดียวมันว่าเป็นศิลปกระแ่อะไร ส่วนบาสเตอร์เนตมันกจะจัดเขาในบาตรเล็กอยู่แล้วนะท่นมันกะระส่ายนะท่ห้ามของแทนบาตรสามอยา่างกะโลกหน้าเต่ากะโลกหัวผีและกระทะดิ่มบาตศิลาไม่ได้ทรงอนุญาตไว้ไม่ได้ไปในทรงห้ามเหตุฉะนั้นก็คึงไม่ควนะท่าน บาแก้วพลึกบาแก้วหงแก้วทรัพยทิมบาด ท, ทองแดงทองเหลืองดีบุกสังบาดสังกะสีบาดหาม้ห้ามห้ามของแทนบาดสามอย่างกระโหลกน้าเต้ากระโหลกของผีะกระแทดินบาด ท, ที่ลาไม่ทรงอนุญาตไว้และก็ไม่ได้ทรงห้ามแต่ก็ไม่ควรผ่ากั อ่าที่พ้เจ้าเทพเป็นผ่าสีมาตัดก็ผ่าขาวย่อมแต่มีปัญหากันหมด น, นี่กษัตริย์ขันธความีไม่ไดย่อมแต่แกสูา น, น้ำสีมาใส่ที่ย่อมแต่แกมีที่ขันธิันธิตีแต่น้ำสีเยอะเาไปนี้เอวเดี๋ยวน้ำสีมาย่อมไมยังเอาอย่อมไปแกมีี่เส ไม่ยอมผัดยอมซีมยอมยื่นนนี่ไม่นบนว่าไ่ว่าไร่อันนี้ของที่งอมน่ช่งนยบเลยกยางนี่ของทงอรากเงาหนึ่งต้นใหม่หนึดอกใหม่ห่ใบหม่ผลใหม่เปลือกใหม่นรากเงาน เปลือกใหม่ต้นใหม่นงดอกใหม่หนึผลใหม่หนึ่งต้นลากเงาต้นเปลือกแกนผลยอดลากเงาหนึ่งต้นใหม่หนึ่งดอกใหม่หนึ่งดอกไหม เปลือกไม้หนึ่งใบไม้หนึ่งพ้นไม้หนึ่งดอกไม้แพะเสียดอกบางมีไม่ยอมแพะกระเอาะแพะเสียด้วยบางนีไม่ยอมเพะพ้นใหม่นอกจากแก่นขนหลักสัญลักษณ์ในทั้งนั้นสีที่ห้ามสีแสดสีแดงสีสีเหลืองสีเหลืองพิกลแดงเวนแดงและบานเย็นสีชมพู สีที่รับรองกันสีเหลืองเกลือแดงแดงเข้มเข็นสีเหลืองหม่นหรือสีแกนขมุนก็ขนุนก็ใชั้นใดมาทางนี้ไม่ห้าวยุคผู้เก่าไม่แดงมันห้าวเกาสีหามกับสีบักเกลือก็หามแกนบักเกลือก็หามแกนเหลืองแก่แรกก็หามนี้ขีมินกหามจึงรั่ว ีเราอกกันผมว่าหาม่ดึงกันแกนตะเกยหามสีเหลืองเชสก็หามตองคนครับสีเร้่อื่นน้ำมันมันามสีดอกเพชรกรุณาสีผ่ามันไม่พี่รู้สีหาสีลงปู่มันอธิบาสีเล้องมวลนหนึ่งว่าง สีเหลือแกงสีเหลืองแกงยังเค็มนุ่งมาสักสีไปตองแหงสีโคราโคราชนี่ก็สีน้ำมุก็สีดำข่ำนุ่งาัดำค่ำว่าะมันดำค่ำสีไม่หมอะคือมันเี่ยวร้องไหลมันดำอะไรแบบน้างที่สีหมกขราบเป็นส่วนสีนั่งกีโคสีสาโคเตมีแล่วสีของ เ่สิทธาขั anya, ้นตะบุษของเงาผาดําก็มู้เลยของเงาผาดําก็มู้ยมันเผากระสป้าหนึ่งเอประสียนว่าขั้นตะบุษหนึ่งเผาหมกลาดหนึ่งหลายคนนี่หรอกนังไรมีตรงนี้หน้าไปมนี่ันกี่สาคาตมนี้มันหน้าโคตโคดรตะมีระหัสเลย วามันแนบไปแทบบริโภคแ่ไม่เี้ยีหาโคตรนี่างหากไม่ซีหาสายอ่าไม่ซีไม่ซีหาสีประเสริฐลพบหวานตลอดันนี้แค่ซีเดียวซีดินนี่ดินแดงพระกุ่นท่านจะได้ได้ีวรน้ําบอกหรอว่าไดก็ถาบมากได้จีวรเนี่ยพระกุ่ท่านอยากไปยุปาเพาะแคุณจะมา วันี้มหม้อต้มคือหมูหัวสั่ปเอาเอาหินแดงหรือขีดินแดงหม้ผลใส่ขี้ินหย่อมผาว่าเส้นตะกนทันยาใส่ก้อนกอนหมูว่านอยู่ปลาจะใส่เครื่อะคือหมูว่าเนมีผู้เดียวอีกเื้อรวยว่านแล้วผู้หวานราไม่ใช่คน นี่ก็ยังพาอีกท่านเามหาสมุทรเจ้าพาที่มาาเ น, น่าเกินแบกเมี่ยวเขาจเพดเกินกว่าซีนี่เขาจะพดต้องหายวิกัปไปเลยขาดเสื้อเป็นของส้นตัวอะไรขาเชื้อเป็นคลองสน้น ของสาธารณนาหรือการเรียกไป้สิองไงเทเล่ก็วารีวาทีเป็นเทเลใหม่วารีวาซับซื้อเป็นของส่วนตัวนะลองให้กับอันนี้พาที่จีไส่เส่นพาจีว่านอาศัยจีไส่อยงไ เรียงสีใสยังไงปาชิวัอาศัย่างไงปาจะองอาศัยสีใสยังไงตอนร้งกูมันกับผูนจัดหาบัวใสคือตังพินทุอะไรกอีมันพอดีาแล้โจอรั่งมัง เป็นวลิค้านโจรคือพื้นใหญ่มาในกระางใส่นอกไก่ก็าเรียกว่าโจรสร้างผู้เทียนมันผ่าบวมไ่ซื้อต้องให้กับตะก้อนของจะคล้องจะถอนออกซารัอนออก้าลัดแต่ตมาพิมพ์ถุจะใส่รถจะสืบที่ฐานนะพาอเป็นผ่าบวมไมซื้อว่ ข้อบริคานแลโจรตัวล่างมันก็ต้องพื้นหน่อยนะครับพาเสด็จบาตเป็นต้นนะครับยามพวกนี้เนี่มันไม่ไงก็พาเสนาบกจัดเป็นข้อบริคันโจรที่กันตัวกันหลวงปู่มันใ่วลงกันตันีวันหนึ่งหลวงปู่ันว่าหลวงปู่มันก็ว่งปู่มหาหวงปู่มหาลรองล่ง่กันหลวงปู่เที่ยตตามราพระมหาธรรมะเจ้าหลวงปู่เถี่ย หลวงป่มาเอาตังหาเขลวง่มาแต่หาหมดเขียนลงไม่เห็นเนี่เพราะว่ามันหิยง่งกับปวกความนัเรี่ยงมันมเดอุ่นัมันจะเป็นตัวทนเน้นอเเขียนอลยผามผาโฮมเป็นของข้าง น, นอกอะผาโฮมนอกพระพระเจ้าทรงอนุยากเต้นานแนวกันเพราะพระหนาวนกาัน สมนอานเคยบินาบาัติเลานจะเลี้ยงเราอธิบายอินธาบัตรลุ้ยผ่ามาหลย า, คาญญยครั้ที่เขาวัดฟินไฟขึอนท่วาดในวันยักษ์เลย่าสุดที่ไฟเป็นเพียวเองคนที่ใช่้อื่นที่คุดีเขจะพิงต่อวจะตีที่ซูไปเป็นไข่เป็นไข้ปัปาหาที่ไฟเป็นเพียวเองคนที้ใช่ผู้อื่นที่กุดีแม่สุราบนะว่าคือ ท, ท, ที่หกอน เอาไปจะตีสมนีโอนึงรั้รนนนนรวมันรวยผา ะ, ะไรัไปเินบานมันเป็นพระหาเขากาะหอยน้ำวนวิญญาบาลจะตับด้วยสะักผ้าเสมนึงหนาวดนงควอยฟีงมากหนควายฟีกับเพิ่นวัฟิ้งควอยเปียวเพราะมันเป็นทาตุสะออกฟิงกุศลสระสะก่อนหินออกหลังก่อนหิยนยังไปของไอ้เกา เฮ้ยพรผู้เปนเจ้าใครน้องพวกข้าวขท่านไปบินทัพอ่ะท่านไปบินต้อบัคนะะเะรเเลยส่าใส่ผาห่มนอกอนผหมนอกก็เลยอาร่าาิขโจรส่วนลวผู้ทธิเดชวะอาธิกัรหรือ่าอาินโจรไมกลับเป็นกะครองเ่ะก็ถอนให้เขากรผันแลวก็พิร์ลก็ใส่รถ่นเาะมันลมีซื้อว่ะ่ รถล้ yeah, okay. yeah, ูเถีล้มูมหาก็ล้มภูมหาแบบเดียวกันเขาเคยเดียบล้มภูมหาเอาไปแล้นั่นนี่น่มไปเที่ยวห่าหนิน่มไปเที่ยวนั่นอันพาภูน้อนอเพื่อนพาภูนอนก็ห่านพาูนอนูักเศ้าืนกระซัาั่งอท่านมืนเดียวเท่านั้นล่ ภ า, ออาพอกเแท่งเหนเออเฉพาะบุญพวกนันเามาปูถ้าไหนฝืนกะทำจัเปลนเสื้จัดเปีเยอัราทั้งหากันแล้วเอาอะไจัดเปข อ, องตัวด้วยว่าเมื่อจดนของส่วนตัวด้วยท่นี่นนคันเวลาไปเที่ยวที่หนพาปูนอนอ่าบอกอธิษฐานไงนี่นนอธิษฐานเนหันไผิดไถอนไป ถูดไม่ถอนไหม่กู่จะพิมพ์ถูใหม่อาชีพมันหมดจะถอนจนเพราะหายากคมก็ไรหายจากนุ่งอาม น, น้กน า, าก็ไก็เร่อเรื่อวาหาจะปูนอนก็เลยว่นนยนนต้องถอาอาชีพันเปปูนอนแต่อาชิพมันเป็ปูนอนรไปใส่เนืออืน่นก็สบากก็ไเอาไม่เข้าแงกมาอีกเอาห้พรพิชุถือไตจีวรสามผืน เป็นไตคีวันขาบือน่อยผ้าอมน้าไม่มีถ้าห่มนอกก็ไม่มีเวลาสัทว์ปฏิบัติอะไรโหอะไรครับสอนนี่นี้ยังนี้กระเพานักเรียนกะไรเจิบตาเรียกตาระมลระพอวปฏิบัติตูได้สอนวะรอกเวลาสักวมาชีวัน ไก่ลงผ่าตัข้าวไห้วสัตว์ปศุสัตวเลยทับข้าเลยมันเหี่ยวลงมาวซ่ข้าข้ามไนั่งทับพาสกาตีในบ้านนี่ครับเป็นไรอะรลูกปูใชตัว กูนี่แค่ในตัวว่าอไปก็เลิกออกว่ะสันเลิอกออกคือเขาถีนั่งเงียรังขีเลิกเสียระดังว่ะเลิกก็พาปูนั่งเฮมี่ยุ่เนี่ย ส, ไไสิเปิดเด็กที่ยังเปิดบ้าบอกว่าสันเป็นยงเลิอกออกว่าคือเขาถีาเงียบที่ว่ะเพิ่เปิดคืองอว่ะสันเขากันี่ขอเนี่ยนั่งปูนั่งนั่งเสียงรดูด ตอนนี้พาผมนั่งงัวแิพ่พนวากำนังติงวเพราะดบนำฝากเขา่าถรเพ์พนวาอ่า น, นี่นุน่นค่ไหนอาถรรพ์นุ่นเท่ากับเจ้าว่าอาถรรพ์นุ่นด้วยเขาไปในวัดหรื อ, อยุทธมารโอ้เขาไปอยู่ในวัดหรื อ, อยุทธมาร ทมาก็ป่วยทัรับสงฆ์าาร่าเลิกกักเสียมารายอยางทาานางก็เป็นอาวทุกทุกอายะนุ่น้าร์ไปของส่วนตัวระยะจะใส่ห้องก็ไปของส่วนรัทงสงฆูปว้ในอาสนะปว่วยในทมาดใส่ก็ใส่ยุยงร้างวัสดของส่วนตั ว, ม, วนน ม, ม่กวอนทั้งม เออณวัฒน์ักข่ายแอร์ัฒนกขยใดทันนอ ย, ยนถ้าเขาปูไว้ณวัฒน์ววนนถ้าปเป็นเรืของเขาทีมก็เสียก็ เ, เป็นอาวัตตุกขท่านั่งก็เป็นอวตุกขกยอเป็นอวัตตุกข์ทั้งนังถ้ามัมาเสียมละยดเลยสิท่านี้ขันยอมเป็นอวัตตุกข์ทั้งนั่ง่านอาลุนเขาก็ยอมปูทยอีกเนี่ยเขาว่าวจักสั่านเว่เทศเลยเขาวันใหญ่ใหญ่บอกว่าหลับผู้นึน่นต้ารสำรองห้าวุก เราเาบันเถอเาบนั่งเอาอย่างสิละห้องผมอีเยเปยน่งเขาเม้อนนบอส่ะเขาเอาพาปู่นั่งห้องปู่ใช่หรือก็เลี้ตวเสร็จำไม่ยิมเส็น้าวสิปู่ทับเออปู่ทับซะว่ะว่าเสรไม่เห็นคือขางั้งีินนี่และว่าเสร็แล้วกู่ะห้อปู่สหก็ลีงตัว เพ่าเื่อนเราไล่พวกแม่เหล็กอะไรมาเลยขอเสือกอนไรอะไประยุกับมาที่กายเส่งเขาถอยสังฆทานมากมันห่องสังฆกรรมอะไรต้องไปเอาประหลกบอกรึไคนหนึงเพราะมัน่งสังฆกรรมอะไ ร, รเลยประหลกกรรมแล้วไปสังฆกรรมเนี่ย เราเยวอโหลกมาเฟินบมาว่าข้างมันว่ากระทบกระเทือนกันท่านทั้งนีทํา t ตีที่ท่านว่ากระมาจากกระทบกอนกันท่านที่เอาโหลกไปถ้าหน่อยเขาโอกาสเอารโหลกทำาสิเฟินก็ วที่ตนทั้งตัวพระขุนอุปโลกว่าท่นผู้ยังว่าอุปโลกเขาบอกอย่างบอมเป็นสงมาท่านมันถิ่มันสงอย่างไรของขุนนั้นที้กายว่าท่นมันกัพ่อพกดูขุนคนนี้ก็ได้เพราะอายุสุต่างการ่ายหยดห่อคบองอยู่เหนื่อยุกน คนเพ่นเป็นผู้ใหญก่การลำมาอีกสั่นเพิ่นเป็นผูู้ใหญ่อยู่บนแถวเท่าจะวปขอเพิ่นจะทกข์ ป, ปรทศีกส่ากาลำมาต่อสังเกตุงเพิ่นมาเพิ่นะใหยเพิ่นะฉัอนุรนร้า่วอหรือเพิ่นึ <c oughs> มีผันหน้าอย่กนอนหรอกเพิ่นอนูนข้างนก็เทาสัาเกตุพฤติได้าว่าารเทาเอ็เนี่ยพิ่นพือว่าืดเลยากกนัาาเาเ น, เ, ขข เ, นเท่เากัไปกระซิว่าเลยการเท่าโ อ, โอโโกบ่ลบยไป่ไหนก น, ใน ข้าว่าอุปลกข้าุปลกสียใจอง้งคนยเลทำทังไงแต่ซิบเศ้าเพราะไม่ไคนน้อยแุ่บปลุกคว่าครบบอบอตกวดตะว้บปุกที่ประธามวลยามันกระตกกระเทือนในสกอบเลยถ้าเพิ่งให้โอกาสถ้าวุ้ปลกันเพิ่นไ่ให้โอกาสถ้าเขาว่าวุปลกเพราะเพิ่เป็นผู้ใหญ่ยวนหามืคนก็ะจายเพาะั้นถ้ามันป่ก็ปรานี่กลายว่าทำไมเกิดกเทือกันในสังคม อันนี้อันน้อันี้อันนี้ั่งูว่าเป็นลำดับเนี่ยเไปไหมัวเาเเขาไปจับของมาสั่งเขาจับของมาใหกายจับของบว่าเป็นลาดับพราะเสยไปเลย่นเขาจับอะไรไม่ห้เขาพขาจับเอาซ้อเส้นหสมุทรเขาเขียนจบอว่าล่ะพูดเจ้าเ้าทานเอเขาว่างกวล่ะเออดีตกว้ดียู่ดิป้อคันนว่า นอกกระาลงปวมาแล้อันี้่งไอ้เจรกาวัที่ห้าใจะข้าวบดหนึ่งที่สุรับเขเี่ยวองฉันแก่นบวชนอกศาสนานอกพุทธศาสนาเอาของเขียวของฉันแก่นบวชนอกพุทธศาสนาเมือพุ่นตนนอไปจะติที่ของเขียวห้องฉันเสรมาผู่โพลีที่ ถาเล้องเขี่ยวของฉันกับเขาเราูพศาสนาต่อไปยติมันจะเป็นยังไงคนไหนทำรากามานอย่างาาาะพะวะาบบิดว่าเขากัดทือว่าพุทธศาสนาพูดยุง่งไม่รัว่านะวนอกศาสนาไรดย้ยผมม่มันที่ผมขี่